ระผินผู้ยืนอึ้งอยู่กลายเป็นเป้ารวมจุดของสายตาในจ้างทั้งสามที่จ้องมาเป็นตาเดียวตอนฝนตกแน่ๆอาขันตุกะลึกลับเหล่านี้เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆแคมป์ของเราจำนวนประมาณหถึงสิบคนส่วนมากอาศัยเดินย่าง ม, มาในรำห้วยคนหนึ่งได้ขึ้นมาหยุดซุ่มดูเราอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ผ่าไปวิธีไปก็ต่ข้ามต้นไม้ร้มต้นนั้นไปยังฝั่งห้วยโน่น ส่วนเจ้าคนอื่นๆหรือตัวอื่นๆที่ชุมนุมกันอยู่ในรำห้วยก็อาจแยกย้ายกันขึ้นฝั่งในรัศมีไม่ห่างกันออกไปนักผมอ่านอย่างนี้พอจะใกล้เคียงบ้างไหมชั ย, ยันทำลายความเงียบงันของทุกคนขึ้นด้วยเสียงดังพรานยายหันไปสบตาเขาแว บ, บหนึ่งแล้วตรงเข้าไปยังตำแหน่งโคนต้นไม้ที่มีรอยมาหมอบอยู่ทดลองนั่งลงยังตาแหน่งนั้นมอฝ่าพุ่มไม้โต่งย้อนกลับขึ้นไปยังบริเวณที่ตั้งแคมป์ แล้วเขาก็บอกได้ทันทีว่าอาดีตนายทหารปืนใหญ่สันนิษฐานได้ใกล้เคียงความจริงที่สุดเพราะตำแหน่งที่เขาทดลองนั่งนั้นสามารถจะมองเห็นขึ้นไปยังที่พักได้อย่างถนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนที่ก่อกองไฟและจุดตะเกียงรั้วแขวนปลายไม้ไว้เขาไม่เอ่ยวาจากะไรในขณะนั้นพยายามกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆ อ, อีกครั้งอย่างระมัะวัง เห็นจะตอนที่พวกเรานั่งหนาวสั่นหลับหลับตื่นตื่นกันอยู่กันมังเช็ถาเปยิยแทรกมาบางสิ่งบางอย่างจากสีหน้าและแววตาของพรานใหญ่แม้จะยังไม่สามารถเดาอะไรได้ถูกแต่ความที่เคยชินทำให้หัวหน้าคณะรู้สึกได้ในทันทีว่าเหตุการณ์มันไม่เข้าเขานักครับคงจะเป็นตอนนั้นแหละพวกเทวดาที่ผมด่าเมื่อคืนนี้มั้งชายยานพยามยามีอารมณ์ขัน แต่ไม่มีใครพลอยขันไปกับเขาด้วยเพราะต่างจมอยู่ในห่วงไต่ตองหนักและวพีนเบนสายตาไปที่ดาลินเป็นครั้งแรกสำหรับเช้าวันนี้คุณหญิงเป็นนักมนุษยวิทยาเสียงของเขาเคร่งขึนเป็นงานเป็นการจากรอยเท้าเหล่านั้นพอจะให้รายงานอะไรได้ไดบ้างไหมครับบางทีมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับช่วยในการสันนิษฐานของผมหญิงสาวยิ้มแค่แคเมินหน้า ตอบมาด้วยหางเสียงที่มีอะไรอยู่ในใจถ้าผรานยังไม่มีปัญญาจะรู้นักมนุษยวิทยาก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนี่แปลว่ามืดแปดด้านเลยหรือ ว, ว่าเจ้าพวกนี้เป็นพวกไหนย่องเข้ามาดูพวกเราทำไมไหนบอกไว้ยังไงว่ามนุษย์แหล่งสุดท้ายก็คือหล่อมช้างแล้วหลักฐานที่เห็นผิดวิกลอย่นี่คืออะไรเฮ้หน้าชมเสียแล้วผมขอสารภาพว่าไม่อยางรู้อะไรไปเสียหมดทุกอย่างหรอกครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกินจากกล่มช้างที่ผมเคยสำรวจมาแล้วอย่าว่าแต่ผมเลยขยินเองเป็นเจ้าครองอยู่แถบใกล้เคียงนี่ก็ยังบอกไม่ได้เรื่องนี้ผมก็ย้ำไว้หลายครั้งแล้วว่าเราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าเราจะเผชิญกับอะไรบ้างมันเป็นความรีรับอันดำมืดครั้งแรกผมรู้สึกยินดีเมื่อทราบว่าคุณหญิงเป็นแพทย์และนักมนุษยวิทยาคิดว่าอย่างน้อยวุธิภูมิ ของคุณหญิงคงจะช่วยเหลือพวกเราได้ไม่มากก็ น, น้อยแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าคุณหญิงไม่ยอมใช้ความรู้อันนั้นช่วยเหลือพวกเรารวมทั้งตัวคุณหญิงเองด้วยเลยเมื่อความจําเป็นมาถึงอย่างเดี๋ยวนี้เป็นครั้งแรกที่รพินไพรวันจะค่อยคํากับราชสกุลสาวผู้แสนยิงต่อหน้าพี่ชายและเพื่อนสนิทของรอนเองอย่างกล้ากระด้างตรงไปตรงมาทําเอาทั้งเชี่ยวาและชายยานมองหน้าเขาแต่พรานใหญ่ไม่สนใจ เขามีปัญหาหนักหน่วงยิ่งกว่านั้นกำลังเผชิญอยู่มันหมายถึงชีวิตในความรับผิดชอบของเขาทุกชีวิตอ๋อคุณรู้สึกยินดีดรือมีนักมนุษยวิทยาและแพทย์ติดตามมาด้วยครั้งนี้หล่อนกระแทกเสียงหนักหนั ก, นกเผ็ดร้อนพอกันฉันเห็นคุณเดือดร้อนใจแทบประดาตายทีเดียวเมื่อนักมนุษยวิทยาและแพทย์คนนี้ขอเดินทางร่วมมาด้วยถ้าคิดกาจัดได้ก็คงจะกาจัดเสียทีเดียวแหละ เวลานี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันเชี่ยถาขัดเท่าเๆแสดงความไม่พอใจชัดออกมาเป็นครั้งแรกหน้าตึงมองดูหน้าน้องสาวและพรานนำทางสลับกันไปมาหรือ ว, ว่าจะให้รายการอะไรเข้าได้เกี่ยวกับรอยเท้าเหล่านั้นก็บอกเขาไปน้อยอย่าลืมว่าเราทุกคนอยู่ในเรือลำเดียวกันเรือลำที่มีกัปตันใหญ่ชื่อระพินเป็นคนถือหางเสือเสีย ด, ด้วยน้องสาวยากไกล่ต่อถ้อยคำพี่ชายมาอย่างเยาะเยาะก้มลงจุดบุหรี่อัดควันหนักหน่หนวง แล้วสะบัดหน้าเงยขึ้นพูดเสียงกระด้างต่อมานี่นายพรานขอให้รู้ไว้นะนักมนุษยานะ์าณน่ะเขาจะให้รายงานได้ก็แต่เมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของมนุษย์นั้นวัตถุเครื่องใช้หรืออย่างน้อยโครงกระดูกก็ยังดีไม่ใช่เห็นแต่เพียงแค่รอยเท้าแลือจะบอกได้ว่าเจ้าของรอยเท้าเป็นฝรั่งมังค่าหรือพมา่ารามันตระกูลใดชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนั่นเป็นวินชาของนักทรงเจ้าเข้าผี หรือไม่ก็พวกพรานที่หากินอยู่กับรอยเท้าน้อยพี่ชายตวัดลั่นมาหล่อนหัวเราะแหลมสูงยักไ์ลอีกครั้งแต่เอาละเมื่อต้องการก็จะบอกให้มันเป็นเพียงข้อสันนิษฐานตามหลักของสามัญวินิจฉัยที่คนตามไม่บอดทุกคนควรจะบอดได้ทั้งนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักมนุษยวิทย์หรอกเจ้าของรอยเท้าเหล่านี้น้ําหนักตัวโดยเฉลี่ยจากหลักฐานที่ย่ำพื้นอ่อนไว้ประมาณ65ถึง70กิโลก ร, รัม ส่วนสูงระหว่าง5ฟุตถึง5ฟุต10นิ้วสังเกตจากช่วงที่ตายอยู่บนลำต้นไม้ทอดข้ามลำห้วยลักษณะของรอยเท้าที่ปรากฏอยู่แบนหนาพื้นฝ่าเท้ากว้างเสมอกันไม่มีรอยเว้าเป็นท้าลักษณะเดียวกับพวกพริ m i t i v e หรือพวกป่าเถื่อนประเภทยุคต้นประวัติศาสตร์ทั้งหลายพอใจหรือยังจบประโยคแลอนเลิกคิ้วถามและพินไม่สนใจอะไรด้วยอีก เหลือบลงไปจ้องรอยตีนเหล่านั้นอีกครั้งพร้อมกับปรีตาชา ย, ยันกระซิบมาอย่างเล่าร้อนคุณวินิชัยไม่ถูกจริงๆหรือว่ามันเป็นพวกคนป่าคนขาเผ่าไหนพรานใหญ่นิ่งเงียบอยู่เช่นนั้นใช้นิ้วขียี่ปลายจมูกลักษณะนี้ทุกคนย่อมอ่านออกว่าละพีนพัยวันอยู่ในสภาพรังเลอึดอัดใจเพียงไรลองคิดดูให้ดีสิพวกตองเหลืองหรือเปล่า ผู้นี้เร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่ตะเวนหากินไปตามป่าลึกทุกป่าเท่าที่มันจะดั้นด้นชอกซอนไปได้หวัวหน้าคณะออกความเห็นเหมือนจะหย่างเสียงมาก็เห็นเขาใสา่หน้าช้าๆผมก็อยากจะให้มันเป็นข่าตองเหลืองเหมือนกันแหละครับจะได้สบายใจกันได้แต่กลัวจะไม่ใช่สังเกตดู ม, มันมีอะไรผิดแปลกไปเป็นตรงกันข้ามจอมพรานอึ้งไปครู่ก็บอกว่า พวกข่าตองเหลืองเป็นพวกขลาดขี้อายตื่นกลัวอยู่เสมอไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครท่องเที่ยวหากินย้ายถิ่นของมันไปตามเรื่องเหมือนสัตว์ป่าได้กลิ่นมนุษย์ก็จะหลบหนีเปิดเปลืงไปไกลทีเดียวไม่ยอมเข้าใกล้กลางคืนเข้านอนกลางวันจึงออกหากินจะไม่ซอกแซกไปไหนในเวลากลางคืนเลยทีนี้ลองพิจารณาดูเถิดครับดึกสงัดของเมื่อคือนที่แล้วกลางพายุฝนอันน่ากลัว เจ้าพวกนี้ป้วนเปี้ยนเรียบเคียงเข้ามาใกล้ที่พักเราอย่างมีเล่ห์ไนไมีหนำซ้ำเจ้าคนหนึ่งหรือตัวหนึ่งยังบังอาจย่องมาซุ่มดูเราอยู่ที่โคนไม้ต้นนี้พฤติการของพวกมันไม่ใช่พวกข่าตองเหลืองแน่นอนยิ่งกว่านั้นลักษณะแบบนี้ผมก็ยังไม่พบในพวกคนป่าคนเขาเผ่าไหนเท่าที่เคยรู้จักมามันชักจะไม่ชอบคนอยู่ความจริงพวกคนป่าคนเขาคุณก็ปลุกปลงแยกประเภทได้หมดไม่ใช่หรือ ในตำลักตำลาเขาก็แยกประเภทมนุษย์พวกนี้ไว้ในสาระบบจนหมดพวกคนดงที่อาศัยอยู่ในแถบอินโดใส่หน้าและคาบสมุทรมะรา ย, ยูนะ่ะมันคงไม่พ้นพวกใดพวกหนึ่งไปได้หรอกชายันว่าจอมพรานยิ้มขึ้นขึ้นครับตำลาหรือสาระบบของนักมานุษยวิทยาเขาจำแนกไว้หมดแล้วหมดเท่าที่เขาจะรู้ได้ผมเองก็รู้หมดเหมือนเช่นที่ตาราเขาเขียนไว้เหมือนกัน บางทีอาจมากไปกว่านั้นแต่เมื่อมาพบหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ผมก็ไม่กล้าจะลงความเห็นอย่างไรได้งูตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็มีบันทึกไว้แล้วเหมือนกันแต่สถิติที่บันทึกไว้เห็นจะไม่ได้หนึ่งในร้อยของตัวสองตัวที่เราเผชิญกันมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงเวลาแล้วหรื อ, อยังครับที่เราจะเลิอกอาศัยตำราเสี้ตีเชิากับชา ย, ยาเงียบงานไปทาไมถึงไม่เรียกแง่า ย, ายลงมา ทันใดนั้นดาลินก็พองขึ้นมา่อยๆและทุกคนก็นึกขึ้นมาได้เชษฐาหันไปสั่งเสียกับเสยทันทีให้ตามเจ้าคนใช้ชาวโดงลงมาไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นจอมพเนจรก็ปรากฏร่างสูงใหญ่เดินตรงเข้ามาด้วยอาการอันสงบพอจะบอกได้ไหมอะไรนี่ชั ย, ยันถามชี้ให้ดูลงไปยังรอยตีนเหล่านั้นตะลึงแลลงไปปราดเดียวแง่ซ า, ายเงยหน้าขึ้น มองไปยังพผานใหญ่ผู้จ้องมาก่อนแล้วทุกคนเห็นดวงตาของอดีตนายทหารกองโจรกระเบียงเบกิกวาวหน้าซีดเผือดมันเป็นช่วงระยะเวลาแห่งความคิดที่ไม่มีใครสามารถกะเนื้สิ่งใดได้ทั้งสิ้นท่ามกลางความเงียบสงัดนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่สัญชาตญาณกระตุ้นเตือนตรงกันหนอนั่นก็คือสังหารร้ายชั่วพิตาเดียวที่แงส่ายตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้แล้วทุกคนก็เห็นเ้าหน้าของกระเบียงพระเนจร เย็นเยี่ยบลงเป็นปกติไม่มีริ้วรอยใดๆให้สังเกตได้อีกถ้าแกเคยรู้อะไรมาก่อนเกี่ยวกับรอยตีนประหลาดเหล่านี้แกก็ควรจะง้างปากตัวเองออกมาพรานใหญ่เตือนมาด้วยเสียงห้าวต่าผมเพียงแต่สังหรณ์เท่านั้นมันอาจผิดก็ได้คาตอบเบาลึกมาจากใบหน้าตายนั้นไม่มีใครว่าแกแม้ว่าแกจะสันนิษฐานผิดแง่ร า, ายแช่ถาโพ้องออกมาโดยเร็วแทบจะระงับความร้อนใจไว้ไม่ได้ แสงเขียวแง่ทา ย, ายหลุดปากออกมาแห่แผดเสียงพวกพานพื้นเมืองทั้ง4ี่และขะญินอุทานอะไรออกมาจากลาคอฟังไม่ได้สับหน้าตื่นเลิกรากมองกันอาการของคนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสะดุ้งสะเทือนหรืออย่างน้อยก็ตื่นเต้นห ว, วั่นไหวไปกับประโยชนที่หลุดออกมาจากปากของแง่ายอันเป็นตรงข้ามกับคณะนายจ้างทั้งสมคนซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้มีแต่ความเร่าร้อนงุนงง สางเขียวมันคืออะไรเชี่ยวถาและชายยานร้องออกมาพร้อมกันแล้เพียงภัยวันดูดปรีจนแก้มตอบม่านตาของเขาลียิบหยีเส้นขึ้นที่ขมับเขายังไม่สนใจกับความกระหายอยากรู้ของนายจ้างจ้องนิ่งไปยังรอยตีนเหล่านั้นแล้วเหลือบขึ้นมองตาแง่ใส่อีกครั้งถามเบาๆว่าเคยพบมาด้วยตัวเองหรือเปล่าหรือเพียงแต่ดาวเอาตามที่เคยได้ยินบอกเล่ามาผมเคยได้ยินคําบอกเล่ามาก่อน ไม่เคยเชื่อเหมือนกันเช่นที่ผู้กองไม่เชื่อในขณะนี้แต่อย่างน้อยผมก็เคยพบกับพวกมันมาแล้วครั้งหนึ่งทางป่าด้านตะวันออกของแนวรําน้ําสารวินเขตตะนินแต่ยี่ตอนเหนือจอมพรานอึ้งไปอึดใจชายยานอดรนทนอยู่ไม่ได้ขยับปากขึ้นอีกครั้งแต่เชษฐาผู้เยือกเย็นได้รอบคอบกว่ายกมือขึ้นห้ามไว้เสียก่อนเป็นสัญญาณให้สงบเขารู้ดีว่าพรานใหญ่กําลังอยู่ในระหว่างใคร่ครวญหนัก สอบถามอะไรแงซายเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คณะฝ่ายตนยังไม่อาจเข้าใจได้กระจ่างชัดนะักไม่สมควรที่จะขัดจังหวะซักถามซ้อนขึ้นมาก่อนทั้งสิ้นสิ่งที่จะทําได้ในขณะนี้ก็คือคอยจับตาดูอาการและคําพูดโต้ตอบของทั้งสองซึ่งยังไม่ช่วยให้กระจ่างได้พบยังไงเมื่อไหร่แลรพินถามต่อไปปีเศษมาแล้วผมท่องเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในเขตตนินตะยี่เลาะขึ้นไปตามเทือกเขาสูงใกล้แนวฝั่งสารวิน บางสิ่งบางอย่างเตือนให้รู้ตัวว่าถูกติดตามผมเร่งหาที่ซ่อนตัวทำรอยลวงไปทางหนึ่งแล้วปีนต้นไม้ขึ้นแอบบนคาคบใหญ่ไม่นานผมก็เห็นมันโผล่ออกมาจากพงทึบรอบด้านแล้วกระจายกันออกค้นหาผมเหมือนเสือตามสุดกลิ่นเนื้อแต่มันไม่เห็นผมพอมันไปกันแล้วผมก็ลงจากต้นไม้ออกติดรอยสะกดหลังพวกมันไปเครื่องวันต่อมาผมก็พบหลักฐานตามที่ได้ยินมาก่อนแง่าสายเสียงแหบ หายก็เป็นในลำคอกลืนน้ำลายฝืดๆเล่าไปให้ละเอียดศพของพรานปลาชาวยักไข่คนหนึ่งมีรอยถูกฆ่าและย่างกินสดๆในปากทำตื้นๆเนื้อลายเขาตอนหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงก่อนหน้าผมจะไปถึงเศษกระดูกบางส่วนและหัวของเขาเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ให้เห็นมันไม่พบผมแต่บังเอิญไปพบพรานย่าไข่คนนั้นเข้าแทนผมรู้จักเขาดี เขาชื่อถวยโสยี่เสียงชายยาันร้องลั่นออกมาอย่างรืมตัวแม้จะจับกระแสความโต้อตอบระหว่างรพินกับแง่ร า, ายยังไม่ได้ถนัดชัดเจนนักว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้อยคำประโยคหลังของจอมพเนจรก็ทำให้คณะพจนภัยชาวกลุ่มทั้งสามเย็นว่าวเข้าไปถึงไขสันหลังยังบอกไม่ถูกดาลินจับแขนพี่ชายบีบแน่นอย่างรืมตัวคงมีแต่เช่าเท่านั้นที่ตะแคงหูจับฟังอยู่ในอาการสงบ เราปีนจำเรืองไปทางคณะในจ้างของเขาแวบหนึ่งแล้วกลับไปจับอยู่ที่แง่ทรายตามเดิมแล้วหลังจากนั้นละ่ะผมถอยกลับหนีเอาตัวรอดอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ความสามารถในการเดินป่าของผมจะอํานวยให้ได้กลางคืนตอกถอยนอนบนยอดไม้สูงกลางวันเลาะลัดดั้มไปอย่างสัตว์ป่ามันได้กลิ่นผมอีกในตอนสายของวันรุ่งขึ้นโอบล้อมสกัดเข้ามาตามวิธีของมันไม่มีนักล่าชนิดใดจะชํานาญในการสะกดแกะลอยเหยื่อได้เท่าสางเกียว เหมือนผู้ผีจะคอยกระซิบนำทางมันตลอดเวลาพอตกเที่ยงผมก็เข้าตาจนหมดทางออกแกรอดมาได้ยังไงแงสายเปิดริมฝีปากออกไปในลักษณะเสียะตาวาวโรดเที่ยมเกลียมผมตอบการล่าด้วยการล่าแทนที่จะหาทางหนีอย่างเดียวผมทำอุบายหลอกล่อให้มันเข้าทางตืยทีละคนโดยที่มันไม่รู้ตำแหน่งแน่นอนว่าผมอยู่ที่ใดพอพวกมันถูกยิงตายไปทีละคนครบคนที่สี่ มันชะงักผมรอดมาได้เพราะปืนจุด44 40กระบอกนั้นและด้วยกระสุนที่มีติดตูอยู่ไม่เกิน15นัดแม้รูปมันจะก่าวเต็มทีมันก็ลั่นทุกนัดที่ยิงไปเมื่อพ้นเหตุการณ์นั้นมาแล้วผมบอกตัวเองว่าผมได้ฝันร้ายไปในขณะที่บุกอยู่กลางดงไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงจนกระทั่งมาเห็นรอยตีนนี้เขาอีกพานใหญ่กัดริมฝีปากกวาดสายตาไปรอบๆ อ, อีกครั้งแล้วล้วงเอาแผนที่ออกมาคลี่ดู บริเวณป่าที่แกพบกับพวกนี้มันเหนือขึ้นไปมากถ้าจะเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่เราอยู่นี่มันไม่น่าจะเพ่นผ่านลงมาถึงเลยป่ามันมีเขตติดต่อถึงกันหมดผู้กองแง่าสายตอบสั้นๆจอมผ่านยกมือขึ้นกระยี้ปลายคางแล้วหันมาสบตายิ้มให้แก่คณะนายจ้างเขาเป็นครั้งแรกสถานการณ์มันไม่เข้าท่าเสียแล้วรครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ร้ายแรงหน้าวิตกอะไรนะัก โปรดบอกให้กระจ่างหน่อยอะไรมันเป็นอะไรพวกผมสามคนนี่นะใจร้อนแทบระเบิดอยู่แล้วชายานพูดออกมาโดยเร็ ว, รวสางเขียวเป็นชื่อที่พวกชาวป่าชาวเขาถือกันว่าเป็นผีดิบประเภทหนึ่งแบบเดียวกับอันตรายที่รับน่าสะพึงกลัวในดงลึกทั้งหลายเชื่อกันมานานแล้วว่ามันมีตัวตนอยู่จริงแต่ก็ไม่มีใครยืนยันได้แน่ชัดผมเองก็นานๆจะได้ยินผ่านรุ่นเก่าเอ่ยถึงสักทีหนึ่งไม่เคยพบด้วยตัวเองมาก่อน เพื่อจะมาได้รับการยืนยันจากแง่ซายเดี๋ยวนี้เองถ้ามันมีจริงอย่างแง่ซายว่าก็แปลว่าเป็นมนุษย์ป่าเถื่อนหลงสํารวจเผ่าหนึ่งนิสัยเ e ฮี้ยมโหดดุร้ายไม่ผิดอะไรกับสัตว์ป่าและจุดเด่นชัดพิเศษของมันก็คือล่าสัตว์ทุกชนิดกินเป็นอาหารโดยไม่ละเวน้นแม้แต่มนุษย์ด้วยกันหากคนละพวกกับมันมันจะเป็นคนป่าตระกูลไหนหลงเหลืออยู่ในโลกนี้มาได้อย่างไรเกินกว่าที่เราจะรู้ได้ผมแววแต่ชื่อของมันในฐานะนิยายเท่านั้น ไม่เคยได้รับรายงานแจ่มชัดสักครั้งเดียวนอกจากที่ได้ยินจากปากคําของแง่ทรายเดี๋ยวนี้สนุกกระสิโวยอดีตนายทหารปืนใหญ่คางสีหน้าปั้นยากหันไปสบตาเชาิดาผู้ยืนจับปลายคางหัวคิวว้วกรมูดจริงหรือแง่ทายที่เธอเล่ามให้ฟังนี่ดาลินหันไปกระซิบถามเจ้าคนดงคู่ใจของหล่อนด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยแง่ทายสาบานว่าเป็นความจริงนายหญิงอย่างน้อยที่สุดก็จริงเท่าที่แง่ทายได้พบมากับตัวเอง คำตอบของอดีตนายทหารกองโจรกระเลียงหนักแน่นมั่นคงขณะที่แกพบพวกมันมีจำนวนสักเท่าไหร่หมู่นั้นมีอยู่ประมาณ20กว่าคนนายทหารลักษณะหน้าตารูปร่างเครื่องมือหรืออาวุธที่ใช้ละ่ะแง่าสายเบิกตามองออกไปยังแนวป่าทึบ อ, อย่างป่าจากที่หมายเหมือนจะเพ่งภาพในอดีตให้ปรากฏขึ้นไม่เหมือนกับชาวเขาทุกเผ่าที่แง่าสายรู้จักแต่เหมือนสัตว์ป่าศกปกรุงรังกวัก ขาตองเหลืองดุร้ายอมหิตยิ่งกว่าวาที่ชอบล่าหัวมนุษย์ป่าเถื่อนกว่ารัวมีแต่เพียงหนังสัตว์ปิดกายท่านล่างผมยาวกระเซิงใช้หอกมีดดาบใบใหญ่และธนูชุบยางน่องเป็นอาวุธชอบขุดหลุมบักปักขวางดักคนและสัตว์บางขณะก็ใช้บ่วงแล้วจันห้าวร่างกายถาด้วยน้ำยางจากใบไม้จนเขียวคล้ำ พอกหน้าด้วยดินขาวร้องเป็นเสียงนกหรือสัตว์ป่าได้เหมือนทุกชนิดสำหรับใช้ในการส่งสัญญาณเคลื่อนไหวไปในป่าได้เร็วและลึกลับเหมือนเงาปีศาจชั ย, ยันมองหน้าเชื่อถาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกกะซิบมันเป็นไปได้หรือหัวหน้าคณะยิ้มเครียดประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมามันลบคาถามชนิดนี้ออกไปจากความรู้สึกของเรานานแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้หรอกช ย, ยัน แล้วเขาก็หันไปทางพรานใหญ่เมื่อกี้นี้ผมได้ยินแง่ท า, ายพูดกับคุณแต่จับกระแสความไม่ได้ชัดนักได้ยินแววว่าว่าแง่ทายพบเจ้าพวกมนุษย์ผีป่านี่ในเขตตะนินตะยีใกล้แนวฝั่งสารวินไม่ใช่หรือมันเป็นป่าตอนใดอยู่ที่ไหนตะนิ่นตะยี่หมายถึงเขตที่เราเรียกกันว่าตะนาวสีนี่แหละครับแต่มันอยู่ทางฝั่งพมา่าสารวินก็คือแม่น้ําสารวินหรือแม่น้ําคงนั่นเอง บริเวที่แง่ทรายบอกว่าได้พบเจ้าพวกนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นดงเลิกในรัฐกะเลียงด้านเหนือแล้วเจ้าพวกนั้นมันจะเพ่นผ่านเข้ามาถึงนี่ได้ยังไงดาลินเอ่ยกับเขาอย่างลืมเรื่องขุนเคืองชั่วขณะเพราะความตื่นเต้นต่อนสถานการณ์ซึ่งมีอิทธิพลอยู่เหนือเหตุจุกจิกของหัวใจผมขอเรียนให้พวกคุณทั้งสามทราบเสียแต่เ ด, ดี๋ยวนี้เลยครับจอม่านกล่าวห้าวยิ้มขึ้นปากฏขึ้นที่ริมฝี ป, ปากอันครึมไปด้วยหนวดเขา่า พวกคุณไม่รู้ตัวเองเพราะผมก็ไม่ได้เรียนให้ทราบขณะนี้เราไม่ได้อยู่ในเขตประเทศไทยแล้วเราออกนอกเส้นพรมแดนมานานแล้วทีเดียวตั้งแต่งแงสายเริ่มตอกทอยและเราตายกันมาบนสันเขากันอย่างขนาดใหญ่ครั้งนั้นห้วยแม่เริงเป็นแหล่งสุดท้ายที่เรายือนอยู่บนแผ่นดินไทยดงที่เราบุกมานี่เป็นเขตเรียกว่าตนิ่นตะยี่มันเป็นดงเทือติดต่อกับรัฐกะเลียง ไม่เคยมีนักสำรวจป่าคนใดสามารถบุกเข้ามาค้นคว้าสำรวจมันได้ทั่วถึงแล้วกลับออกไปเขียนรายงานได้พร้อมกันเขาชี้ไปทางด้านเหนือถ้ามุ่งเหนือโดยตลอดประมาณสิบวันเราจะพบแม่น้ำสาุวินป่ากับเขาเชื่อมกันได้ตลอดหมดโดยอาศัยทิวติดต่อกันเป็นพืชเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยว่าถ้าเจ้ามนุษย์ผีดิบเผ่านี้มีอยู่จริงและแงยสายได้เผชิญมาเป็นความจริงทำไมมันจึงจะเพ่นพ่านมาถึงที่นี่ไม่ได้ คำพูดของเขาทําให้คณะผจญภัยชาวกรุงหันมามองดูตากันเองอย่างงงๆผู้กองนี่เราเพิ่งจะมารู้ตัวเองเอาเดี๋ยวนี้ว่าเราข้ามพรมแดนมาตั้งลึกโขแล้วนี่แปลว่าเราข้ามสันตนาสีมาแล้วหรือเราผินก้มศรีรษะลงข้ามมาแล้วครับก่อนจะลงหุบหมาหอนด้วยซ้ําถ้าดูในแผนที่สากลในขณะนี้ก็จะได้รู้ว่าเราก็บ่ายหน้าขึ้นเหนือ พ, นพ้นผาตันนินตะยีขึ้นมาอยู่ในเขตรัฐเกะเหลียงแล้วด้วย กำลังจะแทงทะลุขึ้นไปบรรจบกับรัตกระยาต่อไปก็อาจเป็นแดนของพวกไทยใหญ่ซึ่งท่องสุดแล้วแต่แผนที่ของมังมหานราธาจะชี้ให้สังเกตง่ายๆจากลักษณะของป่าและภูเขาก็จะทราบได้ดีป่าเขตไทยของเราไม่สลับซับซ้อนเหมือนเช่นที่เราเผชิญอยู่นี่เรากำลังบุกบั่นกันอยู่ในดงอันรีรับของป่าพม่ า, มาอนาคตจึงเป็นสิ่งที่เดาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนึกไปไม่ถึงเลย เชืาพึมพันเราโมวแต่เผชิญกับปัญหาต่างๆติดพันกันมาตลอดจนไม่ทันเฉลียวใจคิดถึงระยะเดินทางของเราแล้วก็ไม่เคยสนใจถามคุณสักครั้งว่าเราห่างจากจุดเริ่มต้นมาเท่าไหร่แล้วถ้างั้นก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วลงว่าถ้าขณะนี้เรามะงุมมะงาหลากันอยู่กลางดงเขตพมา่ามันเป็นป่าที่ไม่มีรายงานสำรวจอย่างแน่ชัดมาก่อนจริงอย่างคุณว่าความรู้ทางภูมิศาสตร์ก็บอกอยู่แล้วว่าสภาพของป่ามันลึกล้ำขนาดไหน ชาวเขาหรือคนโดงในเขตป่าประเทศไทยของเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามีอยู่ไม่กี่เผ่าเท่านั้นเองก็ไม่ถึงกับป่าเถื่อนดุร้ายอะไรนักแต่ถ้ามันเป็นป่าเขตนอกสํารวจของพมา่าก็น่าคิดแล้วนี่จะให้เข้าใจว่ายังไงเมื่อคือนนี้ไอ้พวกสางเขียวมาเรียบเคียงด้อมๆ ม, ม, มองๆเราอยู่คงจะน้าลายสออยากเอาพวกเราคนใดคนหนึ่งเสียบไม้ทําบาร์บีคิวเต็มทีแล้วชัยยานเสริมต่ำๆพร้อมกับพอไร่ลง คงไม่ง่ายสําหรับมันนักหรอกครับสําหรับคณะของพวกเราสิบคนแล้วพิมพ์ตอบมาพร้อมกับหัวเราะผมก็เชื่อว่ามันคงจะคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันถ้าไม่งั้นเมื่อคืนนี้มันคงจะจู่เข้าเล่นงานเราแล้วโชคดีอยู่อย่างที่เราบังเอิญรู้ตัวสีก่อนผมไม่คิดว่าจะมีอะไรหนักใจนะักเรากลับไปทานอาหารเช้ากันเถอะครับค่อยหารือกันทีหลังทั้งหมดพากันกลับขึ้นมาอย่างที่พักด้วยความรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวอย่างไรบอกไม่ถูก ระหว่างการรับประทานอาหารซึ่งต่างเร่งรีบกินเพื่อรองท้องเอากำลังให้หมดภลังไปเสียโดยเร็วและด้วยความไม่เป็นสุขนักคณะนายจ้างสอบซักถามแง่ท า, ายอย่างละเอียดอีกครั้งถึงเจ้ามนุษย์ผีดิบสางเขียวและต่างอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นงุนงงเมื่อทราบว่าขณะนี้คณะเดินทางทั้งหมดได้ข้ามพ้นสันตนาวสีอันเป็นแนวพรมแดนกั้นเขตเข้ามาอยู่ในดงดิบรีรับของฝั่งพม่าแล้วมันเป็นการร่วงรำ่ำก็มาโดยมิทันฉเฉลียวคิดรู้สึกตัวเลย หากพระพินไม่บอกขึ้นทั้งๆ ท, ที่ต่างก็ยอมรับรู้ไว้ล่วงหน้าแล้วในความธุระกันดารวิบากของดินแดนมหาภัยที่จะบุกบั่นไปก็ยังอดคิดที่จะใจหายไม่ได้เมื่อทราบว่าพงไพรที่เหยียบยืนอยู่นี้เป็นดงมหาการนอกประเทศมันเป็นความรู้สึกนึกคิดโดยทั่วๆไปของมนุษย์ทุกคนอย่าเมื่อสานึกว่าตนเดินอยู่ในเขตดินแดนของตนเองแท้ๆฉนันจึงมาโผล่ออกนอกประเทศเชน่นนี้แล้วก็มาเชิญ เข้ากับปัญหาที่ไม่ได้มีการเตรียมกายเตรียมใจมาก่อนนั่นก็คือสางเขียวซึ่งปัญหานี้นักมนุษยวิทยาอย่างแพทย์หญิงดารินวราลิศก็ไม่สามารถจะใช้ความรู้เท่าที่ศึกษาร่ำเรียนมาตีแตกออกไปได้สิ่งที่ได้รับฟังจากแง่ทรายมันดูจะค้านกับหลักวิชาไปหมดทุกอย่างทว่าสิ่งต่างๆที่หล่อนได้ไชิญพบเห็นมาแล้วด้วยตาตนเองตลอดระยะ ก, การเดินทางมหาภัยครั้งนี้ มันทำให้รอนและผู้ร่วมคณะไม่อาจพอที่จะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลคมลอยเหมือนเช่นที่เป็นความรู้สึกครั้งแรกสมัยที่เริ่มต้นออกเดินทางระยะต้นๆจริงของคุณผู้กองยิ่งร่วงล้ำลึกเข้ามาเราก็ยิ่งพบอะไรแปลกแปล ก, ป, ลกปิสาานชนิดคาดไม่ถึงเป็นลำดับซึ่งความจริงมันให้ประโยชน์อย่างมหาศาลแก่การสารวจ ด, ดงดิบภาคพืนนี้ของเราที่ไม่เคยมีใครสามารถให้รายงานแน่ชัดมาก่อน แต่หน้าเสียดายเราไม่ได้เดินทางมาครั้งนี้เพื่อการสํารวจเรามาในวัตถุประสงค์สําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะยอมให้สิ่งอันน่าศึกษาค้นคว้าเหล่านี้มาเป็นอุปสรรค่วงวัตถุประสงค์ใหญ่ของเราไม่ได้คุณมีแผนอย่างไรแล้วหรือยังสําหรับเจ้าพวกสางเขียวที่ทําให้พวกเราต้องสะบัดร้อนสะบัดหนาวอยู่นี่ชา ย, ยาญหันมาเอ่ยกับพรานใหญ่เป็นงานเป็นการภายหลังจากซุปซิบหารือกันเองในระหว่างฝ่ายตนและพินไพรวานเปิบข้าวคำสุดท้ายเข้าป่า และกรอกน้ำดื่มตามเข้าไปสีหน้าการของเขาเฉยเฉยยกาที่อ่านความรู้สึกได้อยู่เช่นเดิมอย่างที่ผมเรียนแล้วครับไม่ต้องกังวลอะไรมากเพียงแต่ระมัดระวังเพิ่มขึ้นเท่านั้นและมุ่งตามเข็มเดิมของเราโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาตอบหันไปออกคำสั่งให้พวกลูกหาบเตรียมเก็บของออกเดินทางแล้วหันมากล่าวต่อว่ามันอาจไม่แผ่ผ่านเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับเราเลยก็ได้ หรือถ้ามันเข้ามาเล่นงานเราอย่างที่เล่นงานแง่รายมาแล้วปืน1ิบกระบอกของเราต้านมันอยู่อาวุธสมัยหินกับดินขับในโตมันเปรียบกันไม่ได้หรอกครับผิดนักก็เอาลูกปืนให้มันกินแทนเนื้อคนที่มันเคยชอบดูเสีบบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุด0ศูนย์ในโตของคุณชายยันเคยถล่มกระโหลกช้างหรือสะบัดแลกมาแล้วคราวนี้อาจมีโอกาสได้รองซ้อมเป้าเจ้ามนุษย์ป่าเถื่อนหลงสารวจพวกนี้ดูบ้าง ผมว่าถ้าถูกหัวก็คงจะคอด้วนไปเลยเหมือนเหมือนกับไอ้งูตัวที่งับระเบิดในโตรของแง่ทรายตัวนั้นมันเป็นเพียงแค่ปัญหาเล็กๆ เ, เท่านั้นครับเมื่อเปรียบเทียบกับที่เราผ่านมาแล้วกล่าวจบเขาก็หัวเราะอยู่ในลาคอไม่มีอาการวิตกกังวลอย่างใดแต่เชี่ยาผู้รอบคอบและช่างสังเกตย่อมตามทันว่านั่นเป็นการพูดเพื่อปลุกปลอบให้กําลังใจเขาอันเป็นตรงข้ามกับความรู้สึกแท้จริงในขณะนี้คนอย่างรพินไพร์วัน ไม่ใช่คนปรับมาทหรือมองข้ามอะไรไปได้ง่ายๆแต่เขามีบุคลิกของผู้นําที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือจะไม่ทําอะไรให้ผู้ที่ร่วมทางหรืออยู่ในความรับผิดชอบขวัญเสียเป็นอันขาดโดยการแสดงท่าเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นและตัดการวิตกวิจารณ์ออกไปเสียสิ่งที่หัวหน้าคณะจะสังเกตเห็นได้จากจอมพรานอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ไหนแต่ไรมานับตั้งแต่เพิ่มออกเดินทางและพินไม่เคยเช็ดปืนสั้นติดตัวเลยที่เอวของเขาคงมีแต่มีดโบวี้ ยาวขนาด8ดนิ้วติดเข็มขัดอยู่เท่านั้นแต่ในการเตรียมออกเดินทางต่อในเช้าวันนี้พานใหญ่ร่วงเจ้าจุด4ี่แมกนัมอันเป็นปืนของเชษฐาเองที่มอบให้เขาไว้เป็นส่วนตัวตั้งแต่ยังอยู่ที่บ้านพักหนองน้ําแห้งก่อนออกเดินทางออกมาจากย่ามหลังบรรจุ ก, กระสุนลงไปในเพลิงเต็มอตัตราและเอากระสุนสำรองใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อทั้งสองด้านเน็บปืนไว้ที่เข็มขัดด้านหลังเพราะไม่มีเข็มขัดปืนสั้นโดยเฉพาะเหมือนกลุ่มนายจ้าง ชัยยันเหลือไปเห็นข้าวก็ร้องทักมาว่าอ้อปืนกระบอกนั้นยังอยู่เอาติดตัวมาด้วยด้วยนี่ตั้งแต่ให้ไปแล้วไม่เคยเห็นเลยผมนึกว่าคุณเก็บไว้ที่บ้านหนองน้งนำแห้งเสียอีกผมเอาติดตัวมาด้วยครับแต่เก็บไว้ในย่ามหลังตลอดเวลาเพราะยังมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะใช้มันอดีตนายทหารปืนใหญ่หัวเราะมองดูจอมพราน ด, ด้วยสายตาชื่นชมนึกอยู่ในใจว่าบุรุษผู้นี้รอบคอบรัดกลุ่มเสมอ ไม่เคยส่อความระร Ł วมใดๆให้เห็นเลยสักครั้งดาฮลรินชำเลืองนิดหนึ่งหล่อนเองก็กำลังมีความรู้สึกเช่นเดียวกับชายยานแต่ไม่ปีดปรากเช่นไรมรสุมหัวใจที่คุกความหนักมาเมื่อคืนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมาสบกับปัญหาอันทำให้จิตใจไม่ปกติเข้ า, าในเช้าวันนี้ทำให้นักผจญภัยสาวเชื้อพระวงศ์เครียดขึ้ยิ่งขึ้นจะจิตใจเข้มแข็งอาจหาญทรหดสปานใดก็ตามสิ่งที่แงสายเล่าให้ฟัง มันกล้องอยู่ในหูของหล่อนสั่นสะเทือนขวัญใช่น้อยหลับตาวาดภาพไปถึงฉากในภาพยนตร์ที่หล่อนเคยดูอย่างหวาดเสียวสมัยเมื่ อ, อยังเป็นเด็กเกี่ยวกับเรื่องของคณะล่องป่าไ ป, ไปเผชิญหน้ากับมนุษย์ป่าเถื่อนที่มองเห็นมนุษย์ด้วยกันเองเป็นสัตว์อันโอชะแล้วก็อดสยองใจเสียไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างสมมุติว่าในระหว่างการเดินทางทั้งคณะถูกดักโจมตีแล้วพลาดท่าเสียทีตกไปอยู่ในเนื้อมือของพวกมัน แต่แล้วหญิงสาวก็ฝืนใจข่มความหวาดหวั่นพันพึงลงเมื่อบอกกับตนเองว่ารอบด้านของหล่อนล้วนแล้วแต่บุคคลที่เต็มไปด้วยสมรรถภาพควรแก่การอบอุ่นใจทั้งสิ้นภายใต้การนำของเจ้าพลายคนนั้นแน่ละถ้าคนคนนี้ยังอยู่เคียงข้างหล่อนหาหวั่นเกรงอะไรสักอย่างหนึ่งไห่ครั้นแล้วก็อดที่จะนึกตำหนิตนเองไม่ได้ทำไมตนถึงมันแช่งชักหักกระดูกเขาผู้นั้นนักคิดแล้ว เจ้าตูวก็รอบถอนใจเบาๆไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเราเคยเผชิญกับปัญหาใหญ่ๆมาแล้วก็จริงหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นขณะที่เหวี่ยงเป้ขึ้นหลังหันไปให้น้องสาวช่วยรัดสายเข็มขัดให้แต่นั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นจะป่าเถื่อนโง่เง่าสักขนาดไหนแล่เหลี่ยมไหวพิบมันต้องเหนือกว่าสัตว์แน่ๆและที่สาคัญที่สุดก็คือทั้งสิชีวิตพวกเราที่มาด้วยกันนี่ ผมไม่ต้องการให้ชีวิตใดชีวิตหนึ่งต้องเพลียงพ้ำไปเป็นอันขาดคุณประมาณการไว้แล้วหรื อ, อยังประมาณการอะไรครับพวกสารเขียวมีอยู่จํานวนสักเท่าไหร่ยากที่จะดาวเหลือเกินครับแต่จากรอยเท้าเฉพาะที่มันย่องเข้ามาดูเราเมื่อคืนนี้เพียงไม่เกินสิบคนเท่านั้นผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามันจะมีอยู่เพียงแค่นั้นนั่นอาจเป็นหน่วยราตเวนดูราชเราของมันก็ได้ชายยันแสดงความเห็นอย่างทหาร ส่งแมวมองเข้ามาสำรวจดูกำลังของฝ่ายเราก่อนแล้วพวกส่วนมากก็คอยดักเล่นงานเราที่ใดที่หนึ่งเมื่อโอกาสเป็นของมันรผินยิ้มครับถ้ามันฉลาดก็ต้องเป็นไปในรูปนั้น